วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่า350ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุเช่อนี้ต้องการจะสร้างกุดีที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองภิกษุนั้นขอให้สงตรวจดูพื้นที่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 และชื่อนี้ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างคดีให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างดีให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยท่ารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้สงแต่งตั้งให้ตรวจดูพื้นที่สร้างดีให้แก่ภิกษุชื่อ น, นี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้น จึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้